ชาพุทธเรานิยมใส่บาทถวายสังฆทานนะเดี๋ยวเพราะในโอกาสพิเศษแต่บางคนก็ทําเป็นประจำํำนะอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นบุญหรือว่าทําแล้วจะได้บุญวันนี้บุญเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรคนจำนวนไม่น้อยเลยก็มองว่าบุญนี่เหมือนกับแต้มหรือเหมือนคะแนน สะสมแต้มสะสมคะแนนมากๆก็สามารถเป็นแรกเอาสิ่งที่มีค่าได้เช่นเงินทองโชคลาภความสำเร็จหรือครู่ครองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากปรารถนาก็เลยพยายามสะสมแต้มด้วยการทำบุญเยอะๆที่ไหนทำแล้วได้บุญเยอะหรือ มีกิจสาบว่าทำที่นั่นที่นี่แล้วได้บุญเยอะทํากับคนนั่นคนนี้แล้วได้บุญเยอะก็แห่กันไปทําเพื่อว่าแต้มหรือคะแนนที่ได้สูงขึ้นเรื่อยๆไปแลกเอาของมีค่าอายุวันนะสุขภาระปฏิพันธ์ธาตสารสมบัติเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าเนี่ยเป็นบุญหรือเกิดจากบุญที่ได้ทําแต่ที่จริงแล้วบุญเนี่ยนะ มันคือความสุขผู้เจ้าจารย์ว่าเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขและบุญยังหมายถึงความเจริญงอกงามในจิตใจด้วยสองอย่างนี้มันก็เกี่ยวข้องกันนะบุญกับความเจริญงอกงามในจิตใจเพราะว่าถ้ามีความเจริญงอกงามในจิตใจมากเนี่ยมันก็มีความสุขใจได้มากสุขใจได้ง่าย น, นี้เวลาเราทําบุญเนี่ยนะ ถ้าเราเช่นการใส่บาตรการถวายสังฆทานถ้าเราอยากจะได้บุญมากเนี่ยก็ต้องมาถามตัวเองว่าเวลาเราทำเนี่ยนะเป็นอย่างไรก่อนทําระหว่างทําแล้วก็หลังทําเนี่ยจิตใจเรามีความอิ่มเ อ, อิบไหมมีความผ่องใสไหมถ้ามีความอิ่มเ อ, อิบผ่องใสทั้งก่อนระหว่าง แล้วก็หลังจากทําแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใส่บาตรหรือถวายธนกรทาหรือทําบุญเลี้ยงพระอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็แสดงว่าบุญเนี่ยได้เกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าผองใสมากเบิกบานมากก็เรียกว่าได้บุญมากถ้าผองใสน้อยอิ่มเ อ, อิบน้อยนะก็ถือว่าได้บุญน้อยนะถึงแม้ว่าของที่ถวายนี่จะมีราคา มากมายหรือราคาแพงเพียงใดเนี่ยก็ตามเนี่ย น, นี่ทำไงเนี่ยจะให้จิตใจนี่อิ่มเอิบนะทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากใส่บาตรหลังจากถวายทั้งกระถานนมันก็ดูว่าเนี่ยถ้าเรามีความวิตกกังวลว่าของที่เราถวายพระคุณเจ้าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ย อาจจะคิดแบบนี้เนี่ยหรือรู้สึกแบบนี้นี่จิตใจมันก็ไม่ค่อยอิ่มเอิบแล้วละมันมีความเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะวิตกกังวลว่าหลวงพ่อหลวงตาท่างจะชอบของที่เราถวายไหมถ้าเราตั้งใจเลือกเฟ้นหรือว่าทาอาหารด้วยความตั้งใจแล้วนี่ไม่ต้องวิตกกังวล ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบถ้ามันมีประโยชน์ช่วยส่งเสริมภารณมามัยของท่านนี่ก็ถือว่าดีแล้วถ้าไปวิสารณ์ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบนี่ใจเราเศร้าหมองได้นะพราก็ค่อยดูว่าท่านจะชมไหมว่าอาหารเราทําดีทำอร่อยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่าไหร่น้ําตาลเยอะไขมันมากเนี้ยนะ ท่านชอบก็จริงถูกใจท่านก็ดิงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะต่อสุขภาพพานามัยของท่านหรือบางคนนี่เอาคอยเจาะจงนะจะดถวายพระรูปนั้นรูปนี้หลวงตาหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้แต่พอท่านไม่มามีพระรูปอื่นมาแทนใส่บายก็ใส่ด้วยจิตใจที่ไม่ค่อยผ่องใสเท่าไหร่เพราะไม่ใช่พระที่ตัวเอง ศรัทธานับถือและคุ้นเคยอย่างนี้จิตใจก็ไม่ผ่องใสนะอย่างนี้ก็เรียกว่าได้บุญน้อยเหมือนกันนะะฉ้เวลาจะใส่บาหรือสวดทังกทาเนี่ยไม่ต้องจ่อจงนะไม่ต้องเฝ้าคอยว่าจะเป็นพระรูปนั้นรูปนี้เพียงว่าท่านเป็นพระแล้วเราก็มีความเคารพท่านในฐานะที่จะเป็นพระเท่า น, นี้ก็พอแล้วพอใจในสิ่งที่เราถวาย เมื่อเราทำเต็มความสามารถของที่เราถวายนี่เรานะเรามีกําลังเท่านี้นะเพราะเราไม่ได้ร่ำรวยนะก็ควรพอใจในของที่เราถวายแล้วนะต้องรู้จักพอใจในของที่ถวายนะที่ทำด้วยความสามารถของตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบใครนะ บางคนเนี่ยชอบไปเปรียบเทียบนะว่าเขาถวายเยอะถวายของดีราคาแพงเป็นของสั่งมาจากร้านชื่อดังนะขณะที่อาหารที่เราถวายนีย่เราทําเองถ้าไปเปรียบเทียบแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่พอใจนะไม่พอใจในของที่ถวายจิตใจก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสงั้นจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งเวลาทอดภาป่าทอดกระถินนี ถ้าเราทำด้วยจิตศรัทธาเต็มความสามารถแล้วจะได้มากหรือน้อยไม่สำคัญแต่หลายคนเป็นทุกข์นะพอเห็นเจ้าอื่นเขาถวายได้มากกว่าเราถวายได้แค่พันหรือหมื่นี่เขาถวายเป็นแสนโอยจิตใจเศร้าหมองเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะ จะว่าไ ด, ได้มากหรือน้อยถวายมากถวายน้อยเนี่ยขอให้พอใจในสิ่งที่เราทาในสิ่งที่เราถวายนอกจากนั้นคือว่านะจิตใจเราจะผ่องใสเป็นสุขและคุณภาพจิตเจริญงอกงามได้เนี่ยก็เพราะว่าเราจักปล่อยวางด้วยนะปล่อยวางในบุญนะจะได้บุญเท่าไหร่นะอ่าไปสนใจมากนะ เพราะว่าถ้าเราไปสนใจเราไปยึดติดมากนี่แสดงว่าเราทําด้วยความโลภแล้วทาด้วยจิตที่คิดจะเอาไม่ใช่ทําด้วยจิตที่คิดจะให้ถ้าเรานึกถึงประโยชน์สู่ของผู้รับนะจะเป็นพระก็ดีจะเป็นวัดก็ดีหรือจะเป็นผู้คนที่เดือดร้อนอยากไร้าตอนนั้นเนี่ยพอแล้วละ่ะส่วนบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้มากหรือน้อยนี่อย่าเพิ่งไปสนใจโดวยเฉาบุญที่มันเป็นแต้มหรือคะแนนหลายคนนี่กังวลมากนะ หรือว่าหมกมุ่นมากว่าทําบุญตรงไหนทําบุญที่ไหนหรือว่าทําบุญในโอกาสใดจึงจะได้มากเขาพูดกันว่าเนี่ยทอดกรถิ่นจะได้บุญมากโอ้ยก็เลยมุ่งแต่จะทําบุญทอดกระถินนะแต่ว่าทำในโอกาสหรือไม่สนใจเพราะอะไรเพราะได้บุญ น, น้อยนอันนี้เรียกว่าทำด้วยความโลภทําด้วยจิต ท, ที่คิดจะเอาแต่ถ้าว่าเรา ทำบุญไม่ว่าใส่บาหรือถวายทังกทานเรารู้จักปล่อยวางในบุญนะที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ทําว่าเพราะว่าตัวเจะได้เท่าไหร่แต่ทำเพราะอยากช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนรวมอันนี้ได้บุญเยอะนะยิ่งไม่อยากได้นี่กลับได้นะยิ่งอยากได้กลับไม่ได้เพราะว่าพออยากได้แล้วไม่ได้จิใจมันเศร้าหมองแล้วก็ไม่ยึดติดในของที่ถวายด้วยนะ หลายคนนีงยึดติดนะถวายไปแล้วยังยึดติดว่าเป็นของเราของเราพอยึดติอว่าเป็นของเราก็เป็นทุกข์นะทําไมหลวงพ่อไม่ฉันอาหารของเราทําไมหลวงปู่ไม่คลองจีวันของเราทําไมท่านไม่ฉันของที่เราถวายเราอุตส่าห์หามาอุตส่าห์ซื้อมาอันนี้เลยว่ายังมีความยึดติดในของที่ถวายนะคือยังคิดว่าเป็นของเราของเราอยู่ถวายท่านไปแล้วก็เป็นของท่านไม่ใช่ของเรา ถ้าเราฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางในผลของบุญหรือในบุญที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยึดติดในสิ่งของที่ถวายนี่ก็ถือว่าจิตใจเราเนี่ยจะเลงอกงามมากขึ้นนะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตภาวนาคือความจเจริญงอกงามในจิตใจนั้นะถ้าอยากได้บุญเยอะๆเนี่ ย, น, ยนะก็ต้องทําความเข้าใจบุญให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างที่ว่ามา จิตใจมันผ่องใสเกิดความสุขใจนี่ก็เรียกว่าบุญจิตใจมีความเจริญงอกงามเพราะว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางทาบุญแล้วนี่ไม่คิดจะเอาตจคิดแต่จะให้ก็เป็นการลดละนะความโลภนะเป็นการลดละตัณหาอันนี้ก็เป็นบุญละเพราะว่าจิตใจเจริญงอกงามมากขึ้นนี่นเราทำบุญกันมากมายเนี่ยใส่บา ก, กันเยอะแยะหรือว่าใส่บา ก, กันานาน ส่ายังกินทางกันมานานลองถามตัวเองว่าจิตใจเรางอกงามขึ้นไหมหรือว่าเรามีพัฒนามีการพัฒนาขึ้นไหมในทางจิตใจก็เอาสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะมาวัดเป็นเครื่องวัดได้ว่ า, เ, าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไม่นะบางคนใส่บาตรมาตลอดชีวิตแต่ว่าจิตใจไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นนะอันนี้ก็น่าเสียดายเมื่อทําบุญแล้วเนี่ยนะ จิตใจเราต้องก้าวหน้าจิตใจเราต้องพัฒนาจิตใจเราต้องเจริญและเราจะดูว่าการปฏิบัติของเราเนี่เจริญก้าวหน้าเพียงใดเนี่ยก็ดูตรงนี้แหละว่าจิตใจเราเนะี่งอกงามขึ้นไหมปล่อยวางได้มากขึ้นไหมลดละความโลภได้มากไหมนะเปรียบเทียบกับคนอื่นน้อยลงหรือเปล่าวิตกกังวลว่า หลวงพ่อท่านจะชอบของที่เราถวายหรือไม่เนี่ยถ้าวิตกน้อยลงนะหรือไม่ใส่ใจนะอันนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วแต่ว่าหันมาทำสิ่งที่เราปรารถนาให้มันดีที่สุดนะของที่ถวายก็ตั้งใจเลือกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำนะถ้าเราตั้งใจทำใส่ใจเลือกอย่างนี้ถือว่าพอแล้วนะทำโดยเจตนาดี อย่าไปกังวลว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบของที่เราถวายนะเพราะมางทีการชอบเนี่ยสิ่งที่ชอบใจอาจจะไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้